ไปเยี่ยมโยมนัดเขาก็ดีขึ้นแล้วที่ไปเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถามเรื่องจิตใจเลยเพราะเราเชื่อมั่นในตัวเขา ว, ว่าเขาผ่านแล้วไอ้พวกนี้แล้วก็ฝึกมาตลอดเรื่องเวทนาเนี่ยพอเขารู้วิธีรับมือแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเราไม่ห่วงเรื่องจิตใจละก็ถามเขาบอกแล้วกล้าเป็นยังไงอ่ะมันไหวไหมมันสู้ไหวไหมเพราะเรารู้อยู่ว่ามันภูมิตันทานมันจะขนาดไหนเขาบอกจุกนิดตีนิดหน่อยอก็ว่าไหวครับหน้าตาแจ่มใสยิ้มหมอก็พอยิ้มด้วยอ้ พี่เขาดีพี่เขาดีบอกว่าฉันยาพาราเมิดเดียวแกปวดทานยาหอยลืมไปทานยาพาราเมิดเดียวนึกว่าเป็นพระฉันยาพาราม็ดเดียวยุงก็ฟังเฉยเลยนะนึกว่าเป็นอาจารย์ไหมถ้าพึ่งอะไรมาตายก็สติดีๆปล่อยเลยเขาจะไม่อย่าไปปาดมัน มันปุ๊บเนี่ยมันตกใจมันก็จิ้มลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะโดนลุมเนี่ยเราเคยโดนครั้งหนึ่งเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละคือเราไม่รู้เรื่องพอมีพึ่งตัวหนึ่งมันมาไต่เราก็รีบปัดมันมันก็จึ๊กลงไปอ่ะลงไปแล้วรีบเขียมันออกอย่างแรงเลยมึงกัดกูเหรออะไรเงี้ยเขียมันออกปื๊ดปื๊ดคราวนี้โอ้โหลุมไม่รู้สึกตัวเลยวิ่งเลยสมัยเป็นเด็กจําได้ก็รู้สึกเป็นไข้อยู่สองวันแพ้จําได้ปะแพ้ แต่สู้ต่อไม่ได้ต่อแค่สองตัวเวทนามันต้องสามวันไม่หายจนร่างกายวันที่สามร่างกายสู้ไม่ได้เป็นไข้ตอนแรกว่าจะไม่ทานยาแต่ว่าร่างกายสู้ไม่ไหวต้องเอายาลดไข้แก้ปวดมาฉันคราวนี้พูดฉันได้แล้วะ <laughs> อะสรุปแล้วการปฏิบัติธรรมนี้เราก็เอาทุกอย่างมาเป็นเครื่องมือฝึกจิต ไม่ต้องกลัวอะไรทางนั้นเลยนะเพราะเวลาปฏิบัติไปนี่นะเอาสมมุติว่าบางคนนี่นะปฏิบัติไปนี่ร่างกายมันรู้สึกอึดอัดขึ้นมาเหมือนมีอะไรมาบีบตรงนั้นตรงนี้ปล่อยเลยปล่อยเลยเนี่นี่เราจะเอาประโยชน์ตรงนี้ละ่ะนี่ถ้าเราไม่ปล่อยตรงนี้มันจะไปปล่อยวางเมื่อไหร่ล่ะเราจะไปกังวลกับมันจะไปกลัวกับมันไปห ว, วั่นไหวกับมันเสียท่าเลยนะพอมันบีบบีบมาแล้วมันเจ็บเจ็บขึ้นมาแล้วอ้าวดีแล้ ว, ด, ลวดีแล้วนี่ ไม่ยินดีไม่ยินไล่ไม่ยินนิ่มไล่หรือสักแต่ว่าวินาไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราว่าไปเรื่อยให้มันปล่อยอย่างเดียวพูดยังไงก็ได้ถ้าจิตเรารับได้อะไม่แหงไปยึดก็พอแล้วให้มันดูเฉยเฉยดูเฉยดูจิตไปด้วยดูจิตไปด้วยสอนจิตไปด้วยอบรมจิตไปด้วยนี่ได้ประโยชน์ผมอยู่ที่การวางจิตของเรานะบางคนก็บอกอุ้ยเหมือนหายใจไม่ออกเลยเออนั่นแหละปล่อยเลยไม่ต้องกลัวตายแล้ว มันก็พิสูจน์กันตรงนี้แหละจะได้ทำก็ตอนนี้แหละถ้ากลัวปุ๊บไม่ได้ทำแล้วความกลัวได้กิเลสได้ตัณหาได้อุปทานได้อวิชชาได้ความหลงแต่ถ้าหากว่าเอามาเป็นเครื่องฝึกจิตปล่อยได้ได้ธรรมะได้การปล่อยวางได้ปัญญาเห็นความจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตเราก็ไม่กลัวไม่กังวลไม่หวั่นไหวแล้วจิตมันจะพัฒนาของมันเองนะ การปล่อยวางได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยหมายถึงการพัฒนาจิตของเรามันมีธรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นพระสูตรนั้นพสูตรนี้ลอยมาน ะ, ะเรื่องราวของคนนั้นคนนี้หรือครูบาอาจารย์ลุงนั้นตรงนีอ้อักษรสาวกบ้างมหาสาวกไม่ใช่ธรรมะหมายถึงว่าจิตของเราเห็นเห็นเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่ยินดีไม่ยินไล่วางเฉยได้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ามันเกิดเกิดแล้วก็ผ่านไปอันนี้หมายถึงทางกายเนี่ยเวทนาทางกา ย, เ, ยเห็นชัดเลยเนี่ยทีนี้ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยเลยหมายความว่าเราควรทํำยังไงเราก็ทําอย่างเช่นว่ากลางวันพึ่งมากลางคืนไม่ต้องมากังวลกับมันหรอกมันนอนแล้วเพราะนั้นกลางวันเนี่ยมันจะออกมาหากินออกมาหากินก็คือว่ามีผู้ คนไปคนมาเรืออะไรอย่างนี้มันก็จะมีเหงื่อบ้างมีใครบ้างอะไรที่ออกตามตัวเราอ่ะทีนี้พึ่งมันก็จะมีไอหนวดของมันเนี่ยไอแหลมแหลมในปากของมันเนี่ยมันก็จะมาจอจอดจอมาดูดมามาดูดเอาน้ําตืดตดเข้าไปนี่เป็นอาหารของมันเพื่อจะไปให้ลูกมันกินมันก็นึกว่าเรานี่เป็นอาหารของมันมันก็มาตอมทีนี้พอเราไปแตะมันไปไล่มันปั๊บไปปัดมันปั๊บมันก็ตกใจคือเราก็ไม่รู้เป็นพึ่งไงล้วก็รีบ ปุ๊บเนี่ยสัญชาตญาณของเราจะปัดมันออกมันก็โดนแรงแรมันก็ตกใจเหมือนกันอ่ะมันก็ป้องกันตัวมันเองมันก็แทงเข้าไปแทงปุ๊บกินมันจะออกเนี่ยสัญชาตญาณของมันธรรมชาติของมันก็เลยก็เป็นนว่าใช้กรรมไปด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่ารักษาใจเอาไว้ตามที่ผู้เจ้าสอนเลยไม่ยินดีไม่มีร้ายเอาประโยชน์จากมันให้ได้ถ้าตอนนั้นไปกลัวตายโอ้ตายแน่แล้วถ้ามันไม่หายแย่แล้วเราอยู่ประเทศอินเดีย ธรรมตายอยู่ที่นี่โอ้โหญาติพี่น้องเรามันก็จะไม่รับรู้ใครจะมาเผาศพเราได้ก็จินตนาการไปเรื่อยก็ฟุ้งซ่านไปแต่นี้เขาสงบดูเฉยเฉยรู้ใจสบายใจอยู่กับตัวแรกๆแล้วร่างกายก็อาจจะมีบ้างมันโดนใหม่ๆนะมันจะมึนๆมันอาจจะงงๆบ้างก็ได้เพราะมันโดนเข้าไปตรงศีรษะมันเป็นระบบประสาทสมองนี่มันก็จะมีบ้างมีผล แต่ว่าพอเริ่มยาแก้ปวดบ้างหรือยาแก้บวมบ้างอะไรบ้างมันก็คงจะช่วยได้บ้างก็นอนสบายแล้วละ่ะเดี๋ยวไปดูแล้วมันอันที่จริงก็ออกมานอนข้างนอกก็ได้อันที่จริงนะขนาดนี้แล้วนะเพราะาเราเคยนอนอยู่ที่บ้านเลยอะ่ะไม่ได้เป็นอะไรเลยยาเยอะก็ไม่ได้ฉันไม่ได้ทานตอนเป็นเด็กอะ่ะมันก็ผ่านไปสองวันมันก็หายเพราะนั้นอะไรเกิดขึ้นเอาเลยทีนี้ไม่ต้องกลัวแล้วต่อไปนี้ เจ็บก็เจ็บไปนี่เอาประโยชน์มันยิ่งนี่มันก็ใกล้จะได้กลับแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เอาประโยชน์เลยเอาประโยชน์ให้ได้โอมาที่นี่นี่แม่มันมันต้องมีกําลังใจมากๆเลยนะเพราะมันเป็นที่บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเลยนะเป็นที่ทัสรู้ธรรมเป็นที่แจ้งธรรมะแจ้งประจักษ์ในพระทัยของพระองค์แท้ๆเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเรามาเราก็ต้องเด็ดเดี่ยวสิ เด็ดเดียวในที่นี่หมายความว่าเราทําความเข้าใจหมดแล้วมันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางกายก็ตามทางจิตก็ตามเอาประโยชน์จากมันให้ได้ปล่อยวางมันให้ได้คือสรุปแล้วเราปฏิบัติเพื่อการปล่อยวางอะวางไปได้มากได้น้อยก็วางอีกวางแม้กระทั่งผลของการปฏิบัตินะแต่ก่อนว่าไปภาวนาดีเหลือเกินเมื่อวานนี้หรือวันซือนโ น, น้น โมโหสติมันก็ดีอะไรดีไปหมดเลยวันนี้ทําไมมันอึดอัดขึ้นมาล่ะแนะ่อย่าไปยึดอดีตวางเลยเอาปัจจุบันปัจจุบันนี่คือเอาจิตสบายไม่ยินดีไม่ยิร้ายอึดอัดก็รู้อึดอัดไปเป็นเรื่องของร่างกายไปเป็นเรื่องของวิทนาไปเนี่ยมันจะได้ฝึกปล่อยวางฝึกให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยเนื้อหาธรรมะของพระเจ้ามันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มีเราปฏิบัติอยู่มีอะไรขึ้นมาก็เราเป็นนั่นเราเป็นนี่ ไออย่างนี้มันก็อยู่บนเวียนอยู่ในวตาสงสารเนี่ยปฏิบัติธรรมก็เลยเป็นกรรมไปเป็นกรรมคืออะไรสร้างอัตตาสร้างตัวตนขึ้นมาเราก็อย่าให้สภาวะธรรมดีอย่าให้เป็นเหมือนเดิมอย่าให้เป็นเหมือนคนนั้นคนนี้เนี่ยไปสร้างปัญหาขึ้นมาหมดเลยอ่ะอันนี้วางเลยปล่อยเลยมันจะเป็นยังไงกรช่างเอาปัจจุบนันเอาปัจจุบนันได้มากได้น้อยก็ไม่สําคัญได้แค่ไหนก็จะเอาเนี่ยทำให้ง่ายเลย เอาธรรมะของผู้เยามาไว้ในใจเราเลยไม่มีเราไม่มีตัวไม่มีตนเอายี้เลยละสั่นเลยเป็นอะไรเป็นกันเลยเป็นเลยเป็นเลยแต่ถึงเวลาอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดให้ใจมันเด็ดขาดลงไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าตัสลูก็คือตัสรูเห็นว่ามันเป็นกลางๆมันไม่มีเราไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีตัวไม่มีตนก็คือปล่อยวางไปเลยอะแบบวางเลยรู้เพราะว่าปล่อยวางได้นั่นแหละนี่เวลาพูดในแง่มุมของการปฏิบัติแง่มุมของจิต รู้แล้ววางรู้แล้วปล่อยถ้าเรายังอยากให้เป็นอย่งงางนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยู่อามันก็เป็นความอยากมันก็มีเราขึ้นมาอีกแล้วต้องไม่มีเลยมันจะเจ็บมันจะปวดกับเอาเรื่องของมันเรื่องของเวทนาเวทนาเรื่องของกายเรื่องของร่างกายปล่อยมันไปร่างกายกับดินน้ำลมไฟเนี่ยแย่เข้าไปมันก็ยิ่งละเอียดเข้าไปเป็นเรื่องของธาตุดินน้ำลมไฟมันแขง็งมันแน่นขึ้นมากับเป็นธาตุดิน มันหนักขึ้นมามันแข็งขึ้นมามันแน่นขึ้นมาธาตุดินน้ำลายมันไหลออกมามีเสเลดอะไรขึ้นมามีอะไรมาจุกตรงคอตรงอะไรอ้าวเป็นธาตุน้ำอะไรมันกระตุกกระตุก บ, บุบบวับเคลื่อนไปเคลื่อนมาเอานเนือพราะธาตุลมร้อนขึ้นมากระธาตุไฟมีแต่เรื่องของธาตุวางไปเลยเป็นเรื่องดินน้ำลมไฟถ้าระวางได้จิตก็เห็นตามไป เพราะเราปล่อยระวางมันถึงจะเห็นนะถ้าเป็นเราเป็นเราอยู่เราก็ไปขึงอยู่อ่ะเราไปต้านอ่ะเราไปต้านมันไปสร้างตัวตนขึ้นมามันก็บังหมดเลยบังความจริงคราวนี้เราปล่อยเลยเราวางเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ที่การปล่อยวางตรงนี้นะถ้าใครใจเด็ดขาดลงไปอะไรเกิดก็ตามเราจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะปล่อยวางมันอย่างเดียวนี่อย่างนี้มันเข้มแข็งเนี่ย ทำไมถึงช้าบางคนทำไมถึงได้ช้าบางคนได้เร็วอ่ะนี่แหละตรงที่ปล่อยวางนี่แหละคนที่ปล่อยวางได้หมถึงอินรีมันแก่กล้ามันเข้มแข็งอ่ะมันไม่กลัวไงสติมันมีสัมปัญญามีกำลังใจมันมีนี่มีความเด็ดขาดเขาเรียกว่าอินรีมันแก่กล้าถ้าอินรีมันอ่อนมันก็กลัวไปหมดอ่ะไม่สู้อสติก็อ่อนสมาธิก็อ่อนปัญญาก็อ่อน ใจไม่เข้มแข็งใจไม่เข้มแข็ ง, ขงนี่ช้าเพราะอินทรีย์มันอ่อนใครใจเข้มแข็งนั่นแหละอินทรีย์แก่กล้าของการปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้เจ้าจึงแบ่งเป็น4พวกหนึ่งปฏิบัติธรรมสบายสุขาปฏิบัติธาคิ ป, ปาพิญญาปฏิบัติสบายด้วยแล้วก็รู้เร็วด้วยพวกสบายรู้เร็วคือยังไงอะพวกนี้ต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐาน มีสมถาะาเป็นบาทฐานเขาเคยมีความสงบจิตมันก็สงบลงไปพอสงบลงไปเวทนาเล็กๆน้อยๆเนี่ยสมาธิมันไม่เข้าไปจิตมันไม่เข้าไปเพราะมีสมาธิจิตมันเป็นสมาธิมันก็วางได้วางได้มากเพราะมีมสมาธิรองรับอยู่ความเจ็บก็เข้าไม่ไปถึงจิตเนี่ยต่อมามันเจ็บขึ้นมาด้วยอานาจของสมาธินี่มันก็ได้เห็นเวทนาว่าไม่ใช่ของเราหรือว่าเขาสามารถพิจารณา พวกปีติพวกวินาในจิตหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นในขณะที่จิตเป็นสมาธิมันก็เลยสบายอ่ะส่วนการที่มันจะบรรลุเรลุชาขึ้นอยู่กับอินทรีย์หมายว่าความเด็ดเดี่ยวคือถ้าหาว่าสติมันกล้าสมาธิมันกล้าวิริยามันกล้านคือความกล้าหาญของจิตวิริยาเนี่ยปัญญามันกล้ามก็เด็ดขาดปล่อยเลยปล่อยเลยทิ้งเลยมันเป็นเราไม่ได้หรอก เวทนาจะเจ็บขนาดไหนมันเป็นเราไม่ได้เพราะร่างกายไม่ใช่ของเราแน่ๆอยู่แล้วมันต้องตายอยู่แล้วนี่ใจมันก็เด็ดเพราะฉะนั้นคนที่ใจเด็ดเนี่ยมันจึงบรรลุเร็วส่วนคนที่ใจมันยังมีเข้มแข็งวันนี้เอาแค่นี้ก่อนวันหลังค่อยเอาใหม่อีกเพราะว่ากําลังมันยังไม่ถึงมันยังสู้ไม่ได้เราจะค่อยๆฝึกไปนี่ น, นเดียวว่าอินทซียมันยังอ่อนอยู่ก็รอจนอินทรีย์มันแก่กล้า แล้วมันก็จะประหารกิเลสได้เหมือนกันบรรลุมรรคผลได้เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าสุขาปฏิปทาทันทาพินยาปฏิภาณง่ายขึ้นอยู่กับตัวสมาธิถ้าใครเคยมีฌานลองรับมีสมาธิลึกซึ้งลองรับอัปปนาสมาธิลองรับเขาก็ปฏิบัติสบายดูสบายสบายดูพระไตรลักษณ์ไปเลยแต่ถ้าคนที่ สุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสบายแต่ว่าบรรลุชา้าอีกพวกหนึ่งทุกขาปฏิปทาปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์อ่ะต้องสู้กับทุกข์กกอะ่ะสู้กับเวทนาก็รุนแรงอู้เจ็บปวดอะไรก็ไม่รู้ บ, บ, บีบนู่นเบีบนี่นี่ทุกขาปฏิปทาแล้วเวลามีสมาธิขึ้นมาก็ต้องพิจนาะอสุภก่อนอารมณ์ก็อ้มีแต่อารมณ์ที่มันรู้สึกว่ามัน ต้องอดทนทั้งนั้นเลยอ่ะไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าจิตของเรามันยังไม่สงบอ่ะไม่งั้นอ่ะไม่ทําแบบนี้ต้องทรมานบางทีต้องอดอาหารอดหลับอดนอนทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยทุกขาปฏิปทาถ้าอินทรีกล้ามันจะบรรลุเร็วขีปลาพินญาบางคนก็ทุกขาปฏิปทาแต่ทันทาพินญารู้ช้าเหมือนกันสู้ทั้งทุกข์ก็มากด้วยโอ้ย อุปสรรคก็มากอาการต่างๆก็เยอะแยะไปหมดลุมเล้าบีบขั้นโนนนี่แต่อาศัยความอดทนอินทรีย์ค่อยแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นรอเวลาจนอินทรีย์มันสมบูรณ์แล้วเมื่อไหร่มันก็ประหารกิเลสได้เหมือนกันแต่ไม่ว่าปฏิบัติแบบไหนก็คือวางอ่ะปล่อยอ่ะปล่อยอ่ะไม่ยึดอ่ะไม่ยึดอ่ะอะไรเกิดขึ้นไม่ยึดเลยอ่ะได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกังวลใจเลยอ่ะ ไม่ยึดแม้กระทั่งผลของการปฏิบตัติแม้กระทั่งผลของการปฏิบัติเคยดีมายังไงก็ไม่ยึดเพราะอันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงมันตกอยู่ภายใต้กฎพระไตายรักคือสรุปแล้วยึดอะไรไม่ได้เลยธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้ก็คือหมายว่ายึดอะไรไม่ได้ถ้าพูดอีกมุมหนึ่งอ่ะที่ว่าปฏิจจสมุปบาทน่ะที่พระเจ้าพิน้าว่ามันเป็นกลางหมดเลยคือมันยึดไม่ได้มีเหตุก็เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับมีเหตุเกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับยึดไม่ได้ยึดไม่ได้ดไไดปล่อยวาง นี่สั้นที่สุดเลยอ่ะพอเวลาปฏิบัติเราเข้าไปหาแก่นมันเลยเอาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาประโยชน์จากมันให้ได้คือเอามาเป็นเครื่องมือปล่อยวางเครื่องมือฝึกจิตทิ้งให้ได้ความกลัวมาก็รู้มันรู้มันมันเกิดอะไรขึ้นรู้มันอย่างเดียวรู้แล้วก็ปล่อยวางโอ้ย ง, ง่ายเลยไม่ต้องไปไปทาอะไรมากมายหรอก แต่ถ้าหากว่าเออมันยังไม่เห็นอะ่ะมันยังไม่ชัดมันยังไม่อะไรก็ต้องเออทำไปก่อนตามขั้นตอนของเราตามความพอดีของจิตเอามาสอนจิตก่อนก็ได้นี่นั่นที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรานะมันของตายนะมันทุกขึ้นมาเห็นไหมมันเป็นก้อนทุกข์นะมันไม่ใช่ก้อนสุกนะไม่ใช่เราจะมาหลงเอามันนะมันมันทุกข์ให้เห็นอยู่แล้วเนี่ยนั่งนานก็เจ็บก็ปวดให้ดูอยู่แล้วนี่ยังจะหลงอยู่เหรอสุดท้ายก็ต้องตายอะ่ะตายก็ไปเผาอะ่ะเผาก็เหลือขี้เท่ากับกระดูกอะ่ะ เอาอยู่เหลอเอาอยู่เหลอเนี่ยอย่างนี้แจกสอนก็สอนไปมันเจ็บมันปวดขึ้นมาก็เอาครูเจ้าก็บอกแล้วสักว่าวีทนามนไม่ใช่เราสักหน่อยหนึ่งก็สอนเข้าไปมันอยู่ที่ร่างกายไม่อยู่ที่จิตยึดไปยังไงยังไงก็ไม่ใช่เราหรอกเพราะเราลุกไปมันก็ต้องดับเจ็บเล็กๆน้อยๆพอเราขยำมันก็หายแล้วจิตมันก็จะได้โอ้โหมีเหตุมีผลมันเชื่อขึ้นมามันก็ปล่อยพอปล่อยวางก็ได้ประโยชน์ขึ้นมา ที่มีคําถามว่าเอาทำไมพออาจารย์บอกว่าให้ปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็แหมน้ําตา ม, มันร่วงเลยเป็นเพราะอะไรถ้าตอนนั้นหมายว่าจิตมันหมุนตามจิตพอมีกําลังแล้วพอได้ยินเสียงธรรมะขึ้นมาว่าให้ปล่อยวางมันมีอะไรเป็นเราเป็นของเราอย่างเงี้ยจิตมันทําตามมันหมุนตามมันวางวางก็ว้าอ๋อมก็โล่งโปร่งเบาจิตมันก็สัมผัสกับธรรมะธรรมะมันคือความไม่มีอะไรเลยมันลึกซึ้งเข้าไปในจิต มันก็เกิดธรรมะปีติขึ้นมานะ่ที่ว่าน้ำตาไหลเขาเรียกว่าธรรมปีติปีติในธรรมะหเห็นความจริงเพราะนั้นตัวธรรมะมันจึงไม่ใช่ว่ามาเป็นบรรทัดบรรทัดหรือว่ามาเป็นพสูตพรพสูตรหมายว่าจิตเราเห็นความจริงเลยจิตก็ดูอยู่รู้สึกขึ้นมาอยู่เราเห็นสิ่งนั้นว่าไม่ใช่ของเราเลยอ่ะมันเป็นคนละส่วนไปนเลยแยกกันออก จิตก็ไม่ใช่เราขนาะนั้นกายก็ไม่ใช่เราขนาะนั้นเวทนาก็ไม่ใช่เราขนาดนั้นแม้ผู้ดูก็ไม่ใช่เราคือธรรมะน่มันก็ไม่ใช่เราด้วยต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ตามธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนี้ธรรมะน่ะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างลงสู่ธรรมชาติหมดาตอนนี้ก็จะให้นั่งไปสักระยะหนึ่งก่อน เอาตื่นนะให้ตื่นตัวนะรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแล้วก็เอาจิตมองมองดูขันท่าหรือว่าเอาจิตเข้ามาอยู่ข้างในสำรวจเริ่มสารวจรูปประหารก่อนสำรวจดูร่างกายก่อนร่างกายของเราเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่น่าสนใจที่มันเป็นอยู่ขนาดนี้มันมีหรือเปล่า เช่นมันตึงตรงไหนมันเครียดตรงไหนมันเจ็บตรงไหนมันปวดตรงไหนนี่เรียกว่าดูกายแบบไปดูภาพรวมของร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บตรงไหนมันมีอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยดูกายไม่ได้ไปเพ่งเล็งตรงเวทนาถึงจะมีเวทนาแต่ว่าเรามองเป็นภาพของกายไปว่ากายเรายังมีอาการตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สมมุติว่ากายเฉยๆไอร่างกายจริงๆอะมันไม่ใช่ เรารู้อยู่แล้วเกิดเมื่อไหร่ถึงเวลาก็ต้องตายคนเกิดพับมันต้องรู้ได้เลยพยากรณ์ได้เลยว่าต้องตายแน่ๆอีกพันปีมาเกิดอีกก็ต้องตายอีกอีกล้านปีกลับมาเกิดอีกก็ต้องตายอีกคือมันมันตั้งอยู่ไม่ได้มันแค่อาศัยชั่วคราวไอ้รูปปั้นเนี่ยเราก็เอาจิตเรามามาสัมผัสดูมามองดูมองดูถ้าเราเข้าใจละ ความเข้าใจนี่มันลึกซึ้งเข้ามาเนี่ยจิตเราก็จะดูเฉยๆดูเฉยๆเราก็ยังมีร่างกายอยู่แต่ว่าการมองดูของเรานี้มันมองดูด้วยใจเป็นกลางมองดูด้วยความเข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันของตายเนี่ยหรือมันทุกข์อยู่ก็โอ๊ย น, นี่มันก้อนทุกข์เนี่ยมันเกิดเมื่อไหร่มันต้องตายเมื่อ น, นั้นเด็กเกิดใหม่ๆก็ต้องสามารถรู้ลวงหน้าได้ว่ามันต้องตายแน่ๆไอเด็กคนเนี้ย มันก็จะได้จิตเราไมื่อได้เตรียมพร้อมเอาไว้มันไม่จะเป็นไปหลงยึดไอ้รูปปักขันหรือว่าไอ้พวกธาตุดินน้าลมไฟเนี่ยให้มันจริงจังอ่ะแค่เกี่ยวข้องกันไปดูแลมันไปเนี่ยเพราะว่าเราเกิดมาแล้วนี่ทำยังไงได้มันมีร่างกายแล้วมันยังไม่ตายยังไม่ตายก็ต้องดูแลไปสิให้มันมีคุณแจภาพให้มันสามารถทำการทำงานได้ ยิ่งเข้าข้องว่องไวได้ยิ่งดีให้มันแข็งแรงได้ยิ่งดีให้มันใช้ประโยชน์ได้มากๆก็ยิ่งดีแต่ไม่ติดไม่ยึดเนี่ยความหมายมันคือไม่ยึดมีอยู่มันมีอยู่แต่เราไม่ยึดมันมีอยู่ตามธรรมชาติเราไม่ไปยึดติดข้องว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเหมือนจะตายไม่เป็นอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาจิตเรามามองมองปุ๊บลงไปหรือเอาไปสํารวจดู เวทนาทำความเข้าใจเรื่องเวทนาด้วยก็ได้ไอเวทนานี่มันก็เกิดชั่วคราวเหมือนกันลหละขยับมันก็หายไปแล้วเรื่องลุกขึ้นเดี๋ยวก็หายแล้วมันก็จะเป็นชั่วคราวเหมือนกันมีบ้างเจ็บปวดมึนชาก็ให้มันรู้สึกได้ว่ามันเป็นเรื่องของเวทนาดีแล้วเราจะได้ดูเวทนาไอร่างกายก็รูปประขันไปเวทนาก็เวทนาขันไป ตัวที่ไปรู้กายก็คือวิญญาณขันตัวที่ไปรู้เวทนาก็คือวิญญาณขันมันรู้เร็วมากเลยอะไรเกิดปับ๊บมันจะรู้ปับ๊บแหละวิญญาณเนี่ยเป็นวิญญาณขันบางทีเราจึงไม่รู้ทันวิญญาณรู้แล้วมก็เลยมีเรารู้เนีมีเรารู้เรารู้นั่นเรารู้นี่จริงๆเป็นเรื่องของวิญญาณมันรับรู้ได้ทีนี้มันก็มีเราซ้อนขึ้นมาอีก พวัะ น, นั้นเราวางอย่างเดียวพยายามไม่ให้มีเราอย่างเดียวเลยพอมันยึดไม่ได้จริงๆเวทนาก็เกิดชั่วคราวเดี๋ยวก็ดับไปร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเวทนามันจะเป็นเราได้ยังไงทิ้งไปเลยปล่อยไปวางไปร่างกายเนี่ยมันก็ยังอยู่ล่ะเราจะไปทิ้งมันมันก็ทิ้งไม่ได้แต่เราทิ้งทางจิต ให้จิตเรารู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ให้จิตเรามีอุปทานไปยึดไปลุ่มไปหลงให้จิตเราปล่อยความหมายคือให้จิตเรารู้จักปล่อยให้มันรู้ว่านี่ของช้าชั่วคราวเฉยๆเพราะมันจึงอยู่ที่การปล่อยวางนี่แหละอินทรีย์มันจะแก่กล้าหรือมันจะอ่อนก็พอบอกว่าเออกายก็อยู่ของมันนี่จิตมันเข้าใจปุ๊บ ม, มันจะวาง สำหรับบางคนบางคนที่เขาเคยทำมามากชาติก่อนๆเนี่ยก็ยิ่งเร็วอะ่ะมันจะเข้าใจง่ายๆเลยอะ่ะเห็นแล้วมันคลายออกแล้วมันคายออกแล้วก็ต้องรอจนกว่ามันจะสมบูรณ์คลายออกสมบูรณ์แบบคือทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งทุกอย่างวางทุกอย่างปล่อยทุกอย่างเนื้อหามันคือปล่อยวางคือไม่ยึดไม่ติดไม่ค้อง เหมือนกับจะไม่เอาอะไรเลยแม้แต่ผลของการปฏิบัติก็ต้องไม่เอาเลยเลยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ให้มันปล่อยอย่างเดียววางอย่างเดียวอะไรเกิดก็เกิดได้แต่เราเนี่ยต้องปล่อยวางปล่อยวางไปเรื่อยไม่เอาไม่เอามาคิดไม่เอามายึดไม่เอามาติดข้องยึดติดข้องมันก็หนักพระมันยึดไม่ได้มันไม่ใช่ของเรามันจะเป็นเราตลอดไปก็ไม่ได้มันแค่ชั่วคราวเนี่ยของชั่วคราวเฉย มันเข้าใจแล้วมันยึดไม่ได้มันก็เลยต้องวางทางั้งจิตนี้ยิ่งวางง่ายถ้าเข้าใจแล้วผู้เป็นนามัมนทําไม่มีตัวตนอยู่แล้วแต่บางทีอารมณ์นี่มันกำวางไม่ได้เพราะอุปทานมันหนาแน่นเราไปยึดเรื่องอะไรไว้เราให้ความสําคัญเรื่องอะไรไว้มันก็แน่นหนาขึ้นในจิตเวลามันมีความเปลี่ยนแปลงไม่ถูกใจไม่ได้ดังใจเราจึงเป็นทุกข์มากเพราะเรายึดเอาไว้มากเราหลงมันมาก เด่มากได้น้อยก็วางไม่กระทั่งผลของการปฏิบัติเรียกว่าไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยไม่คล้องอะไรเลยเฉยเลยเฉยเลยเนี่ยคือเข้าไปหาจิตน่ะจิตให้มันวางเฉยให้เป็นกลางวางไม่กระทั่งจิต น, น่ะจิตเนี่ยวางได้ลองวางดูก็ได้ทําเหมือนไม่ใช่เราอะ่ะมันก็รู้ไปตามธรรมชาติของมันเฉยเฉยอะ่ะจิตคือธรรมชาติมันคิดนึกปรุงแต่งอารมณ์ได้เป็นเรื่องของธรรมชาติ เวทนากรยึดไม่ได้เนี่ยมันเจ็บยังวางไม่ใช่เราเจ็บมันเป็นเรื่องของเวทนาไม่เป็นเรื่องของธาตุธาตุไม่สมบัดุลเป็นเรื่องของร่างกายกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเนี่ยเราก็ต้องรู้เราก็วางวางเฉยวางใจเป็นกลางให้ได้ยิ่งจิตเนี่ยมันไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมเฉยเกิดแล้วก็ดับเนี่ยไม่ว่าเป็นอะไรก็ช่าง ความคิดนึกปรุงแต่งสัญญาอารมณ์เรื่องความดีใจความเสียใจความเศร้าหมองความขุ่นมัวในจิตอะไม่มีตัวตนหมดละ่ะแต่มันก็เกิดได้เพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันก็ท้องอารมณ์เรายังตั้งหลักไม่ทันเราอยากให้เป็นอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างหนึ่งเราก็เลยไปยินดียินร้ายมันมันก็เกิดปัญหาขึ้นในจิตเราแล้ววางอีกเนี่ยรู้เมื่ อ, อไหร่วางเมื่อนั้นละ่ะไม่เอาเลย ตัวจิตมันไม่คิดไม่นึกก็วางตอนมันว่างก็วางความว่างไปมันรู้ก็วางตัวรู้ไปด้วยวางตัวรู้ไปด้วยยึดตัวรู้ก็ยึดไม่ได้แล้วมายึดอ่ะเอาแบบไม่ยึดเลยอ่ะลัดเลยอ่ะบางคนปฏิบัติแล้วก็เห็นนิมิตเป็นแสงสว่างบ้างเป็นทางบ้างเป็นต้นไม้บ้างเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นปราสาทเป็นวิมานมันเป็นแค่นิมิต เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติเนี่ยเรื่องอะไรก็ช่างมันเกิดขึ้นขณะปฏิบัตินี่เขาเรียกว่า น, นิมิตทั้งนั้นแหะบางคนก็ได้ยินเสียงร้องเพลงเสียงสวดมนต์เป็นนิมิตรู้แล้วก็วางบางคนก็เห็นเป็นภาพมาก็วางเหมือนกันรักษาจิตไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเห็นก็สักแต่ว่าเห็นบางทีก็จริงบ้างบางทีก็ไม่จริงบ้างจริงก็ไม่รู้จะเอาอะไรมันมืนกัอย่ามาขอบุญได้บุญแล้วกว็ไปมันก็ไม่ได้มีอะไร มีครั้งหนึ่งอุกขะเศรษฐีอุกหะเสตถีเนี่ยเขาเคยสร้างบารมีมามากเขาบอกว่าเขานี่พระพุทธเจ้าอ่ะมีวันหนึ่งพุทธเจ้าเนี่ยพูดกับพระว่าเอออุกหะบดีอุกหะเสษฐีเนี่ยเขามีธรรมที่น่าอาจรย์อยู่แปดอย่างพูดเสร็จปับ๊บพระพุทธเจ้าก็เข้ากุฏิเลยไม่ได้อธิบายพระองค์หนึ่งก็สงสัยว่าเอ๊ะ เขามีทำแปดประการเนี่ยมันมีอะไรนะตื่นเช้ามาก็อุ้มบาตรไปเลยไปที่บ้านของเศรษฐีคนเนี้ยไปถึงก็บอกว่านเนี่ยเขามาต้อนรับก็บอกว่านเนี่ยเมื่อคืนนี้พระเจ้าตรัสว่านเนี่ยท่านนะมีทำหน้าทา่ันแปอย่างอะ่ะท่านมีอะไรบ้างอะ่ะที่ว่า8อย่างอ๋อเอาอย่างนี้ว่ามีทำแปดอย่างจริงแต่ไม่รู้ว่าจะตรงกับของพระพุทธเจ้าไหมเอาไว้ท่านไปสอบถามอีกทีนึ่งนะ อ, นนงน อ, อันที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกอันที่1เนี่ย โอ้โพอเห็นพระผู้เที่ยวครั้งแรกท่านเห็นแต่ไกลเลยโอ้โเกิดความปิติเกิดความศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าไปหาผู้เจ้าเลยไปนั่งใกล้ผู้เจ้าเลยธรรมะอันที่สองเขาว่าพอผู้เจ้าเริ่มแสดงธรรมเขาก็ใจเขาจดจ่อตั้งใจฟังเลยฟังไปฟังไปผูป้เจ้าบอกว่าให้ปล่อยวางไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่และต้องดับไปไม่มีใช่ตัวไม่ใช่ตน เขาวางเลยเขาว่ะเขาวางเลยสามารถบรรลุรมเลยในขณะฟังธรรมครั้งนั้นพระเจ้าก็เริ่มเทศก็คือตามปกเดียรเทศโปรดโยมเนี่ยพระเจ้าจะต้องเทศเป็นลำดับอะ่ะเรียก ว, ว่าอนุภุมิคถาทานก่อนโอ้ทานทำบุญสุนทานแล้วจิตใจมันชุ่มเย็นมันเบิกบานถึงยังไม่บรรลุอะไรก็ทำให้เกิดก็ดีขึ้นมาแล้วทานก็เป็นบาตรทาน ทำให้จิตมีกําลังคนที่รู้จักให้เนี่ยมันจิตมันจะมีกําลังทําแล้วมันจะรู้สึกว่าโอ้โหเราเนี่ยได้ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจของเราที่มันยึดมันติดข้องมันกล้าเสียสละมันก็เกิดความโล่งความโปร่งความเบาเนี่ยยิ่งเราทําด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสด้วยการเห็นคุณค่าของทานนะรู้ว่าทานที่เราให้ไปนี้ โดยเฉพาะบางทีเราทำกับครูบาอาจารย์ท่านก็เอาไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาบุญของเราก็ยิ่งกว้างขวางสิ่งที่เราทำก็เป็นประโยชน์หรือท่านเอาไปทำประโยชน์าศาสนาประโยชน์บ้างหรือว่าไปทำอะไรเป็นที่ปฏิบททัติธรรมจิตมันก็ยิ่งมีกำลังขึ้นมาเราก็มีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเราก็มีส่วนในการทาให้าศาสนาเนี่ยมั่นคงท้าวสืบต่อไปอหรือว่าแม้แต่เราเนี่ย อนุเคราะห์เรื่องธรรมะให้ธรรมะให้ธรรมะเป็นทานให้ซีดีบ้างให้หนังสือบ้างชวนกันมาปฏิบัติธรรมบ้างมาฟังธรรมบ้างใจเรามันก็เบิกบานเราเป็นผู้ให้แม้แต่ให้บุญให้อานุภาพเราก็รู้สึกว่าเออจิตใจของเราเนี่ยมันมัน่นอกมั่นใจเพราะเราเป็นผู้ให้คุณภาพจิตของเราก็ดีขึ้นมาเนี่ยมันก็มีคุณค่าขึ้นมาไอ้ทานเนี่ยหรือตายไปก็ไปสวรรค์อ่ะจากนั้นผู้เจ้าก็พูดเรื่องศีล ศีลเนี่ยรักษาก็เป็นสมบัติของเราอะก็เหมือนกันอะศีลเนี่ยมันยิ่งสํารวมยิ่งระวังมากทําให้เกิดสติสัพพัญญะด้วยละมัดระวังกายวาจาจิตใจไม่ไปเบียดเบียนใครเนี่ยอนุภาพของศีลก็ยิ่งมีมากเป็นสมบัติของเราเลยโจรกับลักไปไม่ได้ตายเมื่อไหร่ไปสุขติแน่นอนแล้วถ้าใครรักษาศีลแค่ศีล5้าหรือศิขาบท5ข้อได้หัวเจ้ากเทัเรื่องศีลหนึ่ ง, นงทานเรื่องศีล แล้วก็เรื่องสวรรค์สักขะกถาหมายคก็ว่าอ น, นิสงฆ์ของทานของศีลเนี่ยไปสวรรค์แต่ว่าถ้ายึดติดข้องพวกสวรรค์พวกกร ม, มาสุขอะไรอย่างเงี้ยเกิดมาแล้วมันทําให้ล่ํารวยทําให้มีเงินมีทองถ้าไปหลงไหลในการ ม, มาสุกมันก็ยึดติดข้องก็มีโทษสุขน้อยแต่ทุกมันมากเนี่ย พ, พยระพุทธเกษตรไปตามลำดับให้ออกจากกรรมเสียให้เอาจิตมาทําเป็นสมาธิเนคขมะ ออกจากกามทั้งว่าออกจากอารมณ์ที่จิตไปยึดติดข้องนี่แหละคือออกจากกามอารมณ์ทั้งหลายในโลกที่เราหวังจะเอามาทําให้เรามีความสุขนั่นแหละกามเขาเรียกกามมาคุณกามมาคุณห้าพวกเงินทองข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยอะไรนิดหนึ่งที่เราจะเอามาทําให้เรามีความสุขปับ๊บตัวนั้นเขาเรียกว่ากามแต่โทษมันไม่ได้อยู่ตรงที่วัตถุมันเป็นวัตถุกามก็จริงมันมีประโยชน์ด้วยแต่จิตที่ไปยึดมันไปยึดมันไปติดมันไปข้องมัน หรือไปทำให้เกิดความโลภความหลงไหลมันนี่แหละโทษมันอยู่ตรงกิเลสกรรมไม่ใช่วัตถุกรรมวัตถุกรรมเป็นเครื่องใช้ไม้สอยบางคนมีแล้วอุ้ยทาบุญสุนทานทาประโยชน์เนี่ยเพราะบุญเก่าเราเยอะเราหาได้เยอะแล้วเราก็ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ด้วยเราก็เอาหามประโยชน์ไปเป็นอริยทรัพย์ไปแล้วก็เป็นทางที่จะไปสู่พระนิพพานด้วย ก็ยิ่งเข้าใจยิ่งลึกซึ้งเข้าไปก็ปล่อยวางสวรรค์ปล่อยวางกามมาสงบอยู่ในสมาธิในสมาธิก็ต้องมาฝึอกอีกเพราะติดอยู่แค่สมาธิไม่ว่าระดับรูปฌปานอรูปฌานมันก็แค่ไปรูปประภมอรูปประภมยังมีรูปประภะอรู ป, ประภะอีกยังมีการเกิดอยู่อยู่ในสมาธิก็เป็นกรรมอย่างหนึง่งมีเราผู้เข้าสมาธิอยู่มีเราสงบอยู่อา้าวมันก็ยังไม่ออกจากสิ่งเหล่านี้เลยไม่ยังออกจากภพเลยเนี่ย ยังวนเวียนไหวใตจเกิดอยู่เนี่ยเอาตั้งมั่นขึ้นมาทีนี้ดูหมดทุกอย่างเลยินสงบก็รู้ว่าสงบนิ่งรู้ว่านิ่งเฉยรู้ว่าเฉยไม่สงบรู้ไม่สงบวางหมดเลยว่างหมดเลยทิ้งหมดเลยปล่อยหมดเลยแต่ต้องอาศัยจิตที่ตั้งมัน่นนั้นมันถึงจะชัดเจนนึงจะแจม่มแจ้งมันถึงจะเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือเห็นมันเกิด ข, ขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันจะต้องมีปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือมันว่าออกเลยอันนี้ความรวดเร็วของมันเนี่ย ถ้ากําลังมันพอนะเราตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันยึดไม่ได้จริงๆริง่างกายก็ตายจริงของทั้งหลายในโลกเราเอาไปด้วยไม่ได้อารมณ์ทั้งหลายยิ่งง่าใหญ่เลยมันเป็นแค่อารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆนามาทําเฉยๆไม่มีตัวไม่มีต้นเพิบปล่อยเลยโล่งหมดเลยจิตก็แค่รูั่ารมรั่วรมแล้วก็ดับรั่วรมแล้วก็ดับเป็นนามธรรมด้วยมันก็ยิ่งวางไปวางไปเนี่ยทิ้งไปเลย นี่แหละที่ว่ารู้ยะ ส, สี่ก็คือรู้ตรงนี้หมายว่าเห็นเลยรูปนามอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดดับมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนอะไรเลยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตก็ปล่อยออกพอปล่อยออกพื่อเดียวจิตเข้าใจมันลึกซึ้งความสว่างแห่งปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นเหมือนจิตเรามันมีตามีดวงตาจากคุ้งอุดปาดีนี่คือตาของใจมันเห็นเหมือนการเราจิตมามองดูร่างกายอย่างเงี้ย ตามปกติถ้าเราไม่ภาวนามันจะไปเหน็นไม่รู้สึกหรอกอันนี้พอเราภาวนาปุ๊บแค่เอาจิตมาอสัมผัส ด, ดูอ้าวร่างกายมันอยู่ของมันนี่นะหรือเอามามาสํารวจ ด, ดูความรู้สึกในร่างทั่วกายอ้าวลมหายใจเข้าออกก็หายใจเข้าออกเองอะส่วนต่างๆการทํางานเองหมดไม่ใช่เราเลยนี่มันเข้าใจมันลึกซึ้งรู้มันเห็นแล้วมันเข้าใจด้วยก็ปล่อยวางด้วย ต, ต้องอาศัยสมาธิดีตั้งมั่นนั้น พอจิตตั้งมั่นแล้วก็เห็นสภาพธรรมตามความจริงเห็นสภาพธรรมตามความจริงก็ปล่อยวางปล่อยวางก็หลุดพ้นเกิดวิชาและวิมุตตินี่เป็นทางเดินเราก็พูดให้มันง่ายๆว่าปล่อยวางว่างวา ง, วางไม่เอาไม่เอาอะไรเลยมันเอาไม่ได้จริงๆที่นิุฆาเศรษฐีก็เล่าให้าพาฟังว่านี่ข้าพเจ้าก็ฟังธรรมมากของพุทเจ้าพุทเจ้าก็แสดงธรรมพูดเรื่องทานพูดเรื่องศีลพูดเรื่องสวรรค์แล้วก็โทษของสวรรค์โทษของกาม โทษของพวกกามมคุณอารมณ์ทั้งหลายก็ต้องอย่างนั้นก็จิตเทศเรื่องเนคขมะความสงบยิ่งมากยิ่งดีไม่เสียหายสมาธิยิ่งมากยิ่งดีไม่เสียหายแต่ก็ต้องเอามาเป็นบาตรฐานของวิปัสสนาคือเพื่อการปล่อยวางนี้ เ, เพราะฉนั้นทุกอย่างต้องปล่อยต้องวางอย่พกกื่เพื่อกระชี้ลงที่อายะสตตสต 4, ไตีไม่มีตัวไม่มีตนน่ะคำว่าเห็นทุกข์ก็คือเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตเขาก็บรรลุธรรมได้ อันนี้เขาก็เล่าให้ฟังพอเขาวันรู้ธรรมแล้วที่จริงเขาบรรลุธรรมลวดเดียวอนนาคามีเลยละสังโยธ5ได้เขาสมาทานศีลทันทีเลยศีลแต่ศีลของเขาเนี่ยเป็นศีลห้าแต่ว่าตอนเรื่องกามนี้เขานับถือเอาศีล8เลยเรียกว่าเป็นรักษาภูมิจันเลยพอรักษาภูมิจันปุ๊บเขามีภรรยาอยู่4คนเขาบอกกาลังสวยงามกําลังอยู่ในรุ่นสวยงามเลย เขาพี่นาปุ๊บโอ้กลับไปบ้านก็ไปพูดกับภรรยาว่าตอนนี้เขาปฏิบัติธรรมมาถึงตรงนี้แล้วภรรยานี่จะอยู่กับเขาต่อก็ได้แต่ว่าเขาไม่มีเรื่องการมาคุณแล้วนะเขาไม่มีเรื่องกา ร, การมาละค่อะไรแล้วหรืออยากกลับบ้านก็ได้หรือใครอยากแต่งงานใหม่ก็ได้แต่งให้เลยเขาพูดเลยทีนี้เมียหลวงเขาเมียหลวงเนี่ยบอกถ้าอย่างนั้นนาย ข้าพเจ้านี่อยากจะขอแต่งกับคนนั้นเขาก็เเรียกคนนั้นมาเลยเอามือของภรรยาวางใส่มือผู้ชายคนนั้นแล้วก็เอาน้ำเทเป็นพยานว่าได้ยกภรรยาหลวงนี่ให้ผู้ชายคนนี้แล้วนี่ล่ะเขาบอกว่านี่ก็อาสจรรย์ของเขาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหากว่ามี การทำบุญสุนทานเขาถ้ามีความเหมาะสมเมื่อไหร่เขาให้ทันทีเขาให้ได้เลยเขาไม่เสียดายเลยภระยาเจ้านี่มันจะมีปัญญามันจะต้องมีเหตุมีผลด้วยการให้ทานของเขาถ้ามันไม่สมเหตุสมผลนี่มันก็จะไม่อยากให้ละ่ะแต่ถ้าเห็นสมเหตุสมผลอ้มีคุณมีประโยชน์จริงๆสมเหตุสมผลจริงๆนี่ไม่เสียดายให้แล้วไม่เสียดายเลยถ้ามีพระมาเขาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเขาจะต้อนรับด้วยความเคารพศรัทธา แล้วก็จะนิมนต์ให้พระแสดงธรรมถ้าพระไม่แสดงธรรมเขาจะขอโอกาสพูดธรรมะเองเขามีธรรมะเพราะระดับนี้มันอนาคามีเลยอะ่ะบรรลุธรรมลวดเดียวนาคามีแล้วก็มีเทวดาเขาบอกว่าเทวดาก็มาหาเขาด้วยเขาก็ไม่อาศจรันรที่เทวดามาสนทนาด้วยที่เขาเห็นเทวดาได้เทวดามาคุยด้วยได้ไม่ได้อาศจรันรเลยเขาพูดเองเลยแล้วเทวดาก็บอกว่าออ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหมอัศจรรย์จริงๆเขาก็พูดกับเทวดาว่าท่านจะพูดว่าอาัศจรรย์หรือไม่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็อัศจรรย์อยู่แล้วนี่คือเขาไม่อัศจรรย์เลยเรื่องอื่นนอกจากธรรมะแล้วสุดท้ายเขาก็สามารถปฏิ ญ, ญาณตนได้ว่าสังโยชนถ้าผู้เจ้าจะปรินิพานหรือไม่ก็ตามสังโยชน่าเบื้องต่ำห้ที่เขาละได้ ก็ละได้เองอยู่แล้วเขารับรองตัวเองอย่างนี้ทั้งหมดแปดข้อเลยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาอัศจร์ตรงนี้แหละแล้วก็ให้เขาเนี่ยลองไปถามพระเจ้าดูว่าจริงไหมเขาก็เอาอันนี้แหละที่ถามเศรษฐีนี่แหละไปเล่าผู้เจ้าฟังผู้เจ้าก็รับรองว่าใช่อันเดียวกันอันนี้เป็นโยมก็ตามมีฐานะยังไงก็ตาม ถ้าหากว่าเคยสร้างสมบารมีมาสมควรที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมมันก็จะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาแค่อย่างพวกเราอย่างเงี้ยได้ยินว่าเออจะไปะปฏิบัติธรรมกันนะที่นูน่นที่ตัสลุของพระเจ้าทุกพระองค์เลยเนี่ยจิตใจมันก็หยหาละจะไปนั่งฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันก็หวังว่าอย่างน้อยก็มันจะเริ่นก้าวหน้าขึ้นหรือว่าเข้าใจลึกซึ้งขึ้นหรือว่า ถ้ามันเป็นไปได้มันปล่อยวางได้จริงก็เป็นได้ด้วยหรืออินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นมันก็ค่อยขยับขึ้นขยับขึ้นพเพระพุทธเจ้าก็รับรองแล้วว่าการปฏิบัตินี้มันต้องเป็นไปตามลำดับตามลำดับไม่ใช่ว่าทีเดียวบรรลุเป็นพลหานเลยไม่ใช่มันก็ต้องแบบนี้เราเข้าใจแล้วเราก็มาเพียรทำต่อไปทำต่อไปอย่างน้อยที่เรามาครั้งนี้เราก็ได้ทาเต็มที่อ่ะเต็มกาลังเลยอ่ะ ถ้าสามารถไปได้ชาตินี้กับชาตินี้ได้ขั้นไหนขัน้นใดขั้นหนึ่งก็เอาหรือทําไม่ได้อะไรเลยก็เอาบา ร, รมีบา ร, รมีมันก็อาจจะทําให้เนี่ยบรรลุธรรมเพียงแค่ได้พบพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าได้ฟังธรรมครูบ า, าอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งใช่เลยนี่บูชาสูงสุดเลยนะคือการวางปล่อยวางถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา พระผู้เศาสดาของเราท่านวางหมดจริงๆวางหมดจริงๆไม่ได้เอาอะไรเลยจริงๆวางในจิตวางที่จิตจิตไม่เอาจิตปล่อยจิตมองดูแล้วก็วางเฉยเป็นอุเบกขาลาบเรียไม่มีอะไรเลยอยู่ในจิตจิตเฉยลาบเรียบยิ่งจิตมีกําลังบางก็ยิ่งจ้าเต็มที่ความว่าง มันก็มีพลังมากไม่มีอะไรเลยกํากายเข้าไปในจิตของเราสบายไม่สงสัยทำแท้เอาแล้วก็คราวนี้ก็อุทิศบุญเลยนะอุทิศบุญเองเลยให้ไปเลยจะให้ใครให้ใครให้ใครให้ได้เลย